ส4สารีปุตตโมคลานะปปปชากะถาว่าด้วยสารีบุตรและโมคลานะบรรพชาข้อ60สมัยนั้นสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในกรุงราชครืพร้อมด้วยบริษัทปริพาชกหมู่ใหญ่จำนวน250ร้าครั้งนั้นสารีบุตรและโมคลานะ ประพฤธพรหมจันทร์อยู่ในสำนักสัญชัยปริภาชกได้ตั้งกติกากันไว้ว่าผู้ใดบรรลุอมตรธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่งขณะนั้นเวลาเช้าท่านพระสชิครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤึมีกิริยาที่ก้าวไปถอยกลับแลดูเหลี้ยวดูคูเข้าเหยียดออกหน้าเลื่อมใสมีจักษุทอดลง ถึงพร้อมด้วยอิริยาบทสารีบุตรปริบาชกได้เห็นท่านพระสชิกำลังเที่ยวบินธบาตอยู่ในกรุงราชครึกมีกิริยาก้าวไปถอยกลับแลดูเลี้ยวดูคูเข้าเหยียดออกหน้าเลื่อมใสมีจักสู่ทอดลงถึงพร้อมด้วยอริยาบทแล้วคิดว่าภิษสูรูปนี้คงเป็นองค์ใดองค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์หรือท่านผู้ดาเนินสู่หนทางแห่งความเป็น พระอาหารหันต์ในโลกเป็นแน่ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาภิกษุนี้ถามว่าผู้มีอายุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครแล้วคิดว่าบัดนี้ยังเป็นการไม่สมควรที่จะถามภิกษุนี้เพราะท่านกําลังเข้าละแวก บ, บ้านเที่ยวบิณฑบาตอยู่ถ้ากระไรเราควรติดตามภิกษุนี้ไปข้างหลัง เพราะการติดตามไปข้างหลังนี้เป็นหนทางที่ผู้มีความต้องการรู้แล้วต่อมาท่านพระสัิได้เที่ยวบินทบาทในกรุงราชครึกรับบินทบาทแล้วกลับลำดับนั้นสารีบุตรปริพาชกจึงเข้าไปหาท่านพระสชิแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนหน้าที่สมควรเรียนถามว่า ผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพันธบริสุทธิ์สุดพองผู้มีอายุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครพระสัชชีกล่าวตอบว่าท่านมีพระมหาสมณะผู้เป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเราบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเรา และเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็พระศาสดาของท่านตรัสอย่างไรสอนอย่างไรท่านเราเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารแก่ท่านได้แต่จะกล่าวแต่ใจความโดยย่อแก่ท่านทีนั้นสารีบุตรปริพาชกกราบเรียนท่านพระสัชชีว่าเอาเถอะผู้มีอายุ จะน้อยหรือมากก็ตามจงกล่าวเถิดจงกล่าวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นท่านจะทำพยัญชนะให้มากไปทำไม